บทที่สิบสองเดินทางดังนั้นวินัยตาจึงกลับสู่ตำหนักด้วยดวงใจที่ชื่นบานส่วนอโศกเมื่อกลับสู่ตำหนักแล้วคอยเวียนถามตัวเองอยู่ว่าอะไรทำให้ปฏิบัติต่อวินัยตาเยี่ยงนั้น ก็หาคำตอบให้แก่ตนได้เพียงว่าอารมณ์อารมณ์ที่ถูกจุดให้คุกขึ้นเพราะประกอบด้วยเชื้อไฟคือสถานที่โอกาสและบุคคลมีบ่อยครั้งเหลือเกินในโลกอันยุ่งเหยิงนี้ที่สตรีหยิบยื่นหัวใจอันมีค่ายิ่งของเธอเพียงเพื่อแลกกับอารมณ์ของชาย โดยที่เธอไม่รู้ว่านั่นเป็นเพียงอารมณ์ของเขามิใช่หัวใจหรือความรู้สึกอันแท้จริงอะไรเลยยิ่งถ้าเธอเคราะหร้ายไปสมคมด้วยชายซึ่งมีลิ้นอันราดรสฉาบทาไว้ด้วยน้ำตาลด้วยแล้วเธอจะลิ้มแต่ความหวานซึ่งกระเซ็นออกมาจากปลายลิ้นของเขาเ่ละวันแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า ชายที่พูดหวานหูนั้นจะปราศจากความจริงใจและความซื่อสัตย์เสียทุกคนไปบางทีเธอก็รู้ว่านั่นเป็นอารมณ์ของเขาไม่ใช่หัวใจเขาแต่เธอก็ยินยอมทั้งทั้งที่รู้นั่นเองอะไรทําให้เธอยินยอมเป็นเรื่องที่เธอตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ว่าเพราะอะไรมีอยู่เหมือนกันไม่ใช่หรือ ที่ยินยอมมอบกายให้โดยที่ใจไม่ยินยอมสตรีทําได้ในทํานองเดียวกันบางคราวใจของเธอยินยอมแต่เธอไม่ยอมมอบกายให้ความจริงข้อหนึ่งซึ่งพวกผู้ชายมักจะมองข้ามไปเสียคือสตรีนั้นมีความฉลาดล้ำในเลขกลของมนุษย์และเหลี่ยมคูของผู้ชายแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าชายเธอมักแกล้งทําเป็นไม่รู้ พวกผู้ชายจึงเข้าใจว่าเธอโง่ความจริงในเรื่องทานองนี้ผู้ชายโง่กว่าผู้หญิงมากนักการเข้าใจว่าผู้หญิงโง่นั้นทำให้ผู้ชายลุ ก, กล้าเข้าไปในวงชีวิตของเธออย่างทะนงและห้าวหาญสตรีส่วนใหญ่มีสายเลือดมดและมีธาตุสําสลีอยู่มากในที่สุดเธอก็ยอมยอมดื่มน้ำตาลและลอยคว้างเหมือนสําลีเมื่อถูกแรงลม ความจริงอีกข้อหนึ่งซึ่งสตรีได้ก้าวหน้าไปไกลกว่าชายมากคือมีความรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างในโลกนี้ที่ดีกว่าสดสวยกว่าความใกล้ทางร่างกายดังนั้นความรักของเธอจึงละเมียดละไมอ่อนนุ่มและสูงส่งเหนือความใกล้ทางเนื้อนหนังผิดกว่าความรักของชายซึ่งมักจะมีแต่ความเร่าร้อนและปรารถนา มีความต้องการความสุขที่ฉาบฉวยความปรารถนาของเขาเหมือนเด็กที่ต้องการกินข้าวต้มที่ยังร้อนซึ่งเพิ่งยกลงจากเตาใหม่ๆไม่ค่อยรู้จักกรั้งรอเวลาอันเหมาะสมผู้ชายจึงมักลิ้นพองเจ็บปากเพราะเรื่องทำนองนี้อยู่เนืองๆและในที่สุดผู้หญิงก็ต้องยอมยอมเหมือนมารดาผู้มีความการุณา ไม่อาจทนต่อการรบเร้าเงางอนของลูกอีกต่อไปเมื่อเด็กน้อยได้กินข้าวต้มสมอยากแล้วก็ทิ้งชามข้าวไว้ให้เป็นภาระของมานดาแล้วก็วิ่งเล่นกับเพื่อนฝูงอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินโดยไม่ต้องคำนึงว่ามานดาจะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างและเหน็ดเหนื่อยเพียงใดผู้ชายส่วนใหญ่เป็นเพศที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวในเรื่องนี้ เขากินสบายนอนสบายเขามักจะคำนึงถึงแต่เขามักจะคำนึงถึงและรู้จักแต่ความสุขสำราญแห่งตนไม่ค่อยนำพาต่อหน้าที่หรือความรับผิดชอบร่วมกันเขาเกิดมาเป็นชายเขาภาคภูมิใจในความเป็นผู้ชายของเขานอกจากนี้สิ่งแวดล้อมทั้งทา ง, ทางด้านร่างกายและสังคม ยังเปิดโอกาสให้เขาใช้ความเป็นผู้ชายอย่างเต็มที่อีกด้วยดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยที่ผู้ชายบางคนใช้สิทธิเสรีแห่งความเป็นชายเสียจนเกือบไม่เหลือความเป็นคนอยู่ในเรือนร่างและจิตใจของเขาแต่อโศกไม่ได้เป็นคนช่วยโอกาสมิใช่เป็นคนเห็นแก่ตัวในเรื่องเพศสิ่งหนึ่งซึ่งติดตามมาแต่ยาวไว คือความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นการกระทำบางอย่างแม้จะรู้สึกตะคิดตะขวงใจสำหรับตนแต่เห็นว่าเป็นการอำนวยความสุขความปรารถนาแก่ผู้อื่นแล้วถ้าไม่เป็นอันตรายเกินไปอโศกก็มักจะยอมทาการที่เขาพูดจาปราศัยและปฏิบัติต่อวิเนตาด้วยท่าทีปรากฏมานั้น ก็เป็นด้วยวิสัยมุ่งแต่ความสุขความสมปรารถนาของผู้อื่นเป็นที่ตั้งเมื่อรู้ว่าผู้ใดไม่ต้องการเรื่องใดาอาโศกจะงดเว้นการกระทำอย่างนั้นโดยเด็ดขาดมีบางครั้งเหมือนกันที่วินตตรู้สึกว่าเธอทำบางอย่างไม่เหมาะสมแก่ฐานนะ และภาวะของเธอทำไมเธอจึงลงไปหาเขาที่อุทยานเธอนั่งอยู่ได้ใกล้ๆในขณะที่เขานอนหลับเธอมองดูเขาอย่างเพลิดเพลินทำไมเธอจึงลงไปสนทนากับเขาในเวลาค่ามคืนดึกๆนทั้ทงทั้งที่เขามิได้เชิญชวนเป็นเรื่องที่เธอตอบไม่ถูกเธอไว้ใจเขาถูกแล้วเธอไว้ใจเขา แต่ผู้ชายยังอยู่ในวัยหนุ่มแน่นดูเหมือนยังอยู่ในวัยเริ่มจะเป็นหนุ่มด้วยซ้ำไปจะไว้ใจได้เสมอไปหรือคราวนี้อาจไว้ใจได้แต่สักครั้งหนึ่งเขาอาจลืมตนเผลอผล่อลยขวายคว้าเอาด้วยอารมณ์ขนองซึ่งปลุ่มขึ้นจนสุดจะยับยัง้งถ้าการเกิดขึ้นเช่นนั้นเธอจะป้องกันตัวเองได้เพียงใด เมื่อคิดมาถึงเพียงนี้วินัยตารู้สึกเสียวาบเข้าไปในสวงเธอสะท้อนถอนใจศักดิ์ศรีของหญิงเกียรติยศของหญิงเธอได้ประคองรักษาพอประมาณแล้วหรือจริงอยู่สตรีไม่อาจกรองใจชายได้เพราะไวตัวเกินไปแต่ไม่ควรปล่อยให้หละลวมเกินไปไมิใช่หรือแต่สิ่งที่รู้สึกว่าละลวงเธอได้ทามาแล้ว จะเรียกคืนมาได้อย่างไรความรู้สึกเสียใจในการกระทําอะไรตามอารมณ์ตัวทำให้วิเนตาร้องไห้ร้องไห้เพราะคำนึงว่าถ้าเขาไม่มีเยื่อใยต่อตนเขาจะไม่ดูหมิ่นเอารือ้อแต่แล้วความคิดอย่างหนึ่งก็ค่อยๆเลื่อนไหลเข้ามาปลอบใจเธอว่าก็จะประหลาดอะไรในเมื่อเธอรักเขาความรักเป็นสิ่งสูงส่งสวยงาม มีความนิ่มนวลละเมียดและไม้แทรกซึมอยู่อย่างประหลาดการแสดงอะไรออกตามความรู้สึกของหัวใจเป็นความผิดจนถึงจะต้องได้รับการดูหมิ่นเที่ยวรือ้อถ้าอย่างนั้นการมีเล่กลมารยาการหลอกลวงก็เป็นสิ่งที่ควรยกย่องเชิดชูกระมังหามิได้ทุกคนชอบความสุจริตในเมื่อเธอกระทำอะไรลงไปด้วยความสุจริตใจ และสิ่งนั้นไม่ก่อความเดือดร้อนให้เธอจะมีความผิดอะไรอันควรแก่การตำหนิอีกหรือวินัยตาเธอยังอยู่ในวัยต้นแห่งชีวิตเห็นโลกและชีวิตมาน้อยจะตกลงใจในเรื่องทำนองนี้ได้ถูกต้องอย่างไรเรื่องอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดแม้บุคคลผู้ผ่านโลกมานานอายุเกือบจะย่างเข้าร้อยปีก็ยังลังเล ตกลงใจหรือตอบคำถามนี้ได้ยากในที่สุดวันเวลาที่ต้องจากก็มาถึงอโศกและศีครินบุตรอามาดผู้หนึ่งออกเดินทางเพื่อศึกษาในสำนักอันคจรนามตักกศิลานครอันรุ่งเรืองยิ่งทั้งทางศิลปรกรรมและวิทยาการมันเป็นเวลารุ่งอรุณ ที่แสงแดดเพิ่งใจะให้ความอบอุ่นแก่สัตว์โลกและพื้นเมธนีประตูใหญ่ด้านเหนือแห่งปาตาลีบุตรเปิดออกขอบวนเกวียนหมู่หนึ่งเรียงรายอยู่ที่ประตูเมืองคอยเวลาเคลื่อนขบวนสองข้างขบวนเกวียนมีผู้ยืนอยู่เป็นกลุ่มๆต่างวัยต่างฐานะและต่างอาชีพจนเหล่านี้บ้างเป็นญาติบ้างเป็นมิตรสหาย บางก็เป็นผู้ต้องการออกเดินทางเพื่อทำธุรกิจส่วนตัวหมู่สตรีหม่มผ้าลุมหน้ายืนสนทนากันอยู่เป็นแห่งๆตามอัธยาศัยพวกผู้ชายส่งเสียงทักทายกันอย่างคลื่นเครงสนุกสนานเพราะรู้สึกว่าการเดินทางครั้งนี้จะได้ชมภูมิประเทศใหม่เมืองใหม่ได้รับบรรยากาศใหม่ บ้างก็สั่งเสียบุตรและภรรยาด้วยความอาลัยอาวรณ์เป็นที่ยิ่งบางคนรับบุตรน้อยมาจากมือผู้เป็นแม่แล้วเคล้าเกลียจุงพิษด้วยความอาลัยรักสตรีบางคนใจอ่อนไม่อาจกลั้นความสะเทือนใจเพราะพลัดพรากจากปิยชนนีสามีหรือญาติเป็นต้นได้ก็ก้มลงกับฝ่ามือสะอื้นอยู่ ภาพอันเป็นที่ตั้งแห่งความสะเทือนใจอย่างยิ่งก็คือหนุ่มสาวที่เพิ่งจะรักกันใหม่แล้วมีเรื่องที่คนรักต้องจากไปต่างเมืองเพราะความจำเป็นเธอผู้นี้อยู่เบื้องหลังความคิดไปต่างๆนาน า, น า, นาตามประษาแห่งสตรีซึ่งมักจะคาดเหตุการณ์ไปในทางร้ายจึงเฝ้าวอนสั่งเสียชายอันเป็นที่รักแห่งตนด้วยความอลาลัยสุดจะห้ามหาก ส่วนชายเล่าเมื่อใกล้เวลาขบวนเกวียนจะออกก็รู้สึกเหมือนดวงใจของตนจะหล่นอยู่นัที่นั้นในจำนวนคนดังกล่าวนี้มีวิเนตารวมอยู่ด้วยเธอคอยจับกิริยาอาการเคลื่อนไหวของอโศกไม่ได้คลาดสายตาสีหน้าของเธอหมดหมองขอบตาเขียวช้ำคงร่ำไห้มาตลอดราตรีอโศกเที่ยวลาคนโน้นคนนี้ ทั้งพระประโยุลญาติและมิตรสหายผู้หวังดีพระนางวิมังสาเทวีพระมารดามีพระพักเร่งครืมจนดูไม่ออกว่าพระนางจะมีความรู้สึกประการใดเมื่ออโศกมากราปลาที่พระอุระพระนางยกประหัสข้างหนึ่งรูปศรีรษะบุรตนอีกข้างหนึ่งโอบไหลวายวจุมพิษที่นาลาดเพียงแผ่เบาและตรัสว่า อย่าลืมนะลูกนะที่แม่สั่งไว้เมื่อคืนนี้อโศกรับคำพระมารดาโดยกิริยาแล้วเดินมาลาวิเนตาซึ่งยืนคอยเขาอยู่อย่างกระวนกระวายทั้งสองยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งเมื่ออโศกกล่าวลาวิเนตาจึงส่งของชิ้นหนึ่งให้สิ่งนั้นห่อหุ้มด้วยผ้าสีขาวเนื้อดีพลางกล่าวว่าขอให้เดินทางโดยปลอดภัย นำความสําเร็จกลับมาสู่นครแห่งเราได้เวลาเสียงเป่าเขาสัญญาณดังขึ้นอโศกและศีครินเพื่อนเดินทางขึ้นสู่เกวียนเล่มที่สามจากเล่มหน้าขาบวนเกวียนเคลื่อนออกโคซึ่งได้รับการปรนเปลอมาอย่างดี และมีลักษณะเป็นมงคลย่างเท้าพากเกวียนไปด้วยท่าทางสง่าและบึกบึนวินตายืนมองขบวนเกวียนซึ่งเคลื่อนไปช้าๆจนสุดสายตาเธอรู้สึกเหมือนดวงใจของเธอจะหลุดลอยไปด้วยพร้อมๆกันนั้นน้ำตาก็ไหลปลากลงอาบแก้มใครแล้วจะทราบซึ้งถึงความรู้สึกของเธอยิ่งกว่าตัวเธอเอง ตั้งแต่เลืมตาขึ้นดูโลกครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เธอได้รับรสแห่งการพลัดพรากจากคนอันเป็นที่รักดวงใจของเธอยังบอบบางเกินไปที่จะทนต่อการกระแทกกระทันแห่งปิยวิประโยคทุกข์อันมากจะมีอยู่เสมอในชีวิตมนุษย์ผู้กระเสือกกระสนอยู่ในทะเลแห่งความหวังความต้องการ ความปรารถนาในอิทฐารมอันชื่นชูใจดังนั้นเมื่อกลับสู่ตำหนักเธอก็มีอันทมอะไรเข้าห้องปิดประตูทิ้งตัวลงนอนซบหน้าลงกับหมอนและถอนเสื อ, อื่นอยู่ไปมาเธอคิดถึงอโศกคิดถึงอย่างมากภาพขบวนเกวียนเคลื่อนออกไปยังติดตาเตือนใจเธออยู่ หลับตาลงทียไรภาพนั้นก็ปรากฏเหมือนภาพหล้อนแต่อโศกเล่าเวลานี้เขาทำอะไรเขาคิดถึงใครเขาจะคิดถึงเธอบ้างไหมหนาหรือเขากำลังหัวเราะร่าเริงสนุกสนานอยู่กับสีครินเขาจะพอใจมันหรือไม่เขาจะถนอมหวงแหนมันอย่างที่เธอตั้งใจไว้หรือเขาจะมองดูมันเหมือนเศษไม้ต้นหนึ่ง ซึ่งไม่มีความหมายอะไรแก่เขาเลยอา น, นิจจาวินตาถ้าเธอทราบว่าราจจิตของคนที่เธอมุ่งมองและปองรักเธอจะต้องชอกช้ำอีกสักปานใดดีแล้วที่ธรรมชาติได้ช่วยปกปิดเรื่องนี้ไว้เพื่อมนุษย์จะได้หล่อเลี้ยงดวงใจของตนไว้ด้วยความหวังจนกระทั่งถึงเวลาอันสมควร และรู้ได้เองว่าควรจะหวังต่อไปหรือค่อยๆถอนความหวังออกมาทีละน้อยเหมือนคนเจ็บดึงเส้นได้จากรอยแผลสายแล้วแสงแดดแผดกล้ายิ่งขึ้นอโศกและศริครินดึงผ้าโพกให้เอียงมาด้านหน้าเพื่อกันความร้อนจากดวงอาทิตย์ขบวนเกวียนยังคงเคลื่อนต่อไป ผ่านทุ่งสาลีกเกษตรซึ่งกำลังออกรวงเหลืองอารามสุดสายตารวงที่มีมเมล็ดเต็มมากก็โน้มก้านลงอ่อนช้อยเหมือนแสดงการคารวะแก่ผู้สัญจรเฉกเช่นบุคคลที่มีคุณธรรมความดีเต็มเปี่ยมในตนมักอ่อนน้อมค้อมให้แก่บุคคลผู้ควรแก่การคารวะส่วนรวงใดเป็นรวงรีบก็ชี้โดแข็งกระด้าง เหมือนบุคคลผู้ปรสจากคุณความดีภายในแสดงอาการแข็งกระด้างอวดดีโอหังดังหนึ่งว่าตนเองประเสริฐเลิศมนุษย์ไม่ยอมอ่อนน้อมแก่ใครเลยบ้างแห่งเป็นป่าอันรื่นรมมีพันไม้หลากหลายบ้างมีผลห้อยระยะบ้างมีดอกหลากสีสันฐานงามกลิ่นหอมอบอวล ให้ความชื่นจิตแก่ผู้เดินทางโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆบางแห่งที่ขบวนเกวียนผ่านไปเมื่อมองไปเบื้องหน้าก็จะเห็นขุนเขาใหญ่เสมอเมฆดำทมึนบางแห่งเป็นหุบเหวห้วยตรอกโขกชะโงกงำ้ำถ้ำชะวากวงวางภูผาภูเขาใหญ่นั้น เมื่อมองจากที่ไกลปรากฏเป็นแสงมอหมึกหม่นหมอกเมฆสลับกันเมื่อกระทบแสงสุริยาเมื่อยามสายมองดูประหนึ่งสายรุ่งพุ่มพาดผสานแสงสุกส่องสว่างฟ้าบ้างเป็นสีโมลารายระยับดูว่าวาบวับจับแสงสุ ร, ยริยะวโรพาดประหนึ่งดาดระดับไว้ด้วยแก้วมณี บางแห่งผ่านหมู่พฤกษาสูงสวยัยแลเป็นพุ่มพุ่มเขียวชอุ่มขจิตขจีดังเอาจัดนินมณีมากางกัน้นแลเป็นจังหวะระยะชั้นอยู่เรียงรายรุกขชาติทั้งหลายเล่าก็ล้วนทรงพกามาตศผลดกดาดดูตรการมีสุขนลทชาติหอมหวานพุ่งตลบ บางทีมองเห็นป่าชัดมีสาขาเกี่ยวกระหวัดดูตรการย่าเมื่อพระพายรำเพยก็ประสานเสียงสนอกล้องป่าบางแห่งเป็นทานไหลามาจากท่อคิรีห้วยละหานผาอาเกียนไปด้วยเต่าปลาคลากร่ำโดดดิ้นดำในนาทีนริมทานนั้นมีมหานิคโครดายใหญ่ใบชิด รากห้อยย้อยติดกับแผ่นพระสุธาทั้งหมู่สกุลาก็ร่ำร้องบ้างจับจ้องจะแจ้งจำนันจาบ้างก็เมียงมองหาคู่นกเหล่านี้บ้างก็มีสีมึกมัวหมองมนบ้างแดงดำขำขนสลับสีหมูมยุราเล่าก็มีท่าทางเบิกบานรำแพนหางพวกนกยางเยื้องย่อง เหล่ากะเรียนร้องก้องกังวานไพราซาลิกาจับไม้แล้วเมียงมองร้องประกาศเสียงดังคนจำนันจาไปมองทางเบื้องขวาเห็นสระโบกขอรณีน้ำใสสะอาดเดี๋ยระดาษด้วยปฐุมชาติห้าประการบานสลอนพุ่งไปด้วยเกสรรถเรโนหมู่มแมลงผู้บินว่าว่อนเชยเกสร อ, อันเป็นที่ต้องการ มูเกวียนแห่งอโศกและสีครินผ่านมาตามลำดับจนกระทั่งเข้ามัชติกะสมัยเที่ยงวันหลังจากได้หยุดพักกลางวันณแนวป่าแห่งหนึ่งแล้วขบวนเกวียนก็ออกเดินทางต่อไปจวบจนย่ำสนธยาฝูงวิหกนกกาเริ่มโบยบินกลับสู่รวงรัง พระอาทิตย์สีแดงเข้มกำลังอำลาทิวาการท้องฟ้าด้านตะวันตกระบายสีเมฆม่วงสลับแสดเข้มเมฆสลับซับซ้อนคล้ายภูเขาเล็กๆซ้อนกันและรายเรียงขบวนเกวียนจึงได้หยุดพักแก้โคออกและเลมยา่าคืนนั้นเป็นคืนแรมสองข้ามแห่งเดือนจิตรระเดือนห้า พอพระอาทิตย์ตกดินไปไม่นานประมาณกึ่งปฐมยามแห่งราตรีตะเกียงฟ้าดวงกลมโตก็ถูกจุดสว่างขึ้นทางบุรพทิศสาดแสงสีนวลลงสู่ท้องหญ้าริมทานอันเป็นที่พักหมู่เกวียนอโศกและศีครินบริโภคอาหารเรียบร้อยแล้วออกเดินชมความงามแห่งธรรมชาติอันตื่นตาตื่นใจ กลิ่นดอกไม้ป่ารวยรื่นมาตามสายลมช่างสดเชื่อและปลอดโปร่งอะไรอย่างนั้นยุพ ร, ราชพระองค์ทรงรู้สึกอย่างไรบ้างในการเดินทางครั้งนี้ศิครินทูลถามบอกไม่ถูกพูดยากอโศกตอบเพลิดเพลินในการเดินทางแต่ใจก็อดกังวลเรื่องข้างหลังไม่ได้เรายังใหม่ต่อการเดินทางเกินไป คิดถึงเสด็จแม่นอกจากเสด็จแม่แล้วทรงคิดถึงใครอีกสิครินซักถามมีอาการเป็นเลือดนายอยู่เล็กน้อยก็มีบ้างอโศกตอบแต่สิครินเสด็จพ่อรับสั่งไว้แล้วแต่สิครินเสด็จพ่อรับสั่งไว้แล้วก่อนพวกเราจะเดินทางมาว่าขอให้ท่านปฏิบัติ ต่อข้าพเจ้าเสมือนเพื่อนเดินทางคนหนึ่งตลอดเวลาที่เดินทางและศึกษาอยู่ในสำนักตักกาซิลาข้าพเจ้าต้องการประพฤติตนเป็นคนสามัญมิใช่เป็นเจ้าชายแห่งนครปาตาลีบุตรท่านจะพูดกับข้าพเจ้าก็พูดได้อย่างคนสามัญอย่างมิตรสหายของท่านท่านจำได้ไหมจำได้แต่มันเคยนะ่ะสิคารินตอบ ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นสิอโศกพูดมันสะดวกดีรู้ไหมแล้วอีกอย่างหนึง่งเป็นความประสงค์ของทั้งสองของเสด็จพ่อและของข้าพเจ้าเองที่จะไม่อยากให้ใครรู้ว่าข้าพเจ้าเป็นใครเพียงแต่รู้จักชื่อก็พอแล้วตกลงสิคารินยำ้ำแต่ท่านยังไม่ได้บอกข้าพเจ้าว่า นอกจากเสด็จแม่แล้วท่านยังคิดถึงใครอยู่วีตาโศน้องชายของข้าพเจ้าอโศกตอบท่านไม่คิดถึงวินเนตาเลยหรือสิครินถามอโศกนิ่งไม่ได้ตอบคำถามของมิตรร่วมเดินทางทันทีภาพของวินเนตาซึ่งยืนมองเขาขณะขบวนเกวียนเคลื่อนออกจากประตูเมืองแจ่มใสขึ้นในห้วงนึก เขาถอนหายใจยาวก่อนตอบว่าเ<อ>ขาพเจ้าสงสารวินเนตาเธอเป็นสุภาพสตรีที่น่าสงสารขขาพเจ้าเข้าใจว่าเธอรักท่านมากข้าพเจ้าเห็นอาการของเธอเมื่อมาส่งท่านแล้วอดสงสารตามไม่ได้สิครินกล่าว อย่าเพิ่งรู้อะไรเวลานี้เลยอโศกตัดบทการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นผู้ตัดสินเรื่องต่างๆที่ดีที่สุดนอกจากนี้การเวลายังเป็นทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่สุดแม้การรักษาแผลหัวใจของคนที่มีรอยแผลและชอกชำ้ำพูดมาได้เพียงนี้ก็พอดีมีอคันตุ ก, กะผู้หนึ่งเดินมาหยุดยืนอยู่นะับเบื้องหน้า เขาแต่งกายไม่เหมือนคนทั้งหลายคือมีผ้าสีเหลืองหม่นคลุมลงมาจนถึงคอจนถึงกลางน่องมีเกษาสั้นเพียงหนึ่งองคุลีเขาเป็นผู้หนึ่งที่เดินทางร่วมขบวนเกวียนมาด้วยแต่คงจะอยู่ในเกวียนเล่มหลังอโศกและศรีครินจึงไม่ได้เห็นเขาอาโศกและศรีครินหยุดการสนทนาแต่ไม่ทราบจะทักทายท่านผู้มาใหม่อย่างไร จึงได้แต่แสดงอาการคาระวะแล้วยืนเฉยอยู่จนกระทั่งท่านผู้นั้นพูดขึ้นว่าประธานโทษเธอการมาของข้าพเจ้าจะเป็นการมารบกวนความสุขของท่านหรือไม่ไม่เลยพระคุณเจ้าข้าพเจ้าทั้งสองยินดีและถือเป็นมงคลที่จะได้สนทนากับท่านผู้เว้นบาปอโศกตอบท่านผู้นั้นยิ้มนิดหนึ่งก่อนจะพูดว่า ท่านทั้งสองคงจะเป็นผู้ฝ่ายสงบจึงมายืนสนทนากันอยู่ที่นี่ไม่ยอมร่วมวงสุราและการพนันกับชาวเกวียนทั้งหลายอื่นเจว่าฝ่ายสงบก็ไม่เชิงนักพระคุณเจ้าทั้งนี้เห็นจะเป็นเพราะเราทั้งสองยังไม่เคยกับการดื่มสุราและการเล่นการพนันจึงไม่สนใจในเรื่องนั้นอโศกตอบ ทั้งสามเงียบงันกันไปครู่หนึ่งลมโชยเอากลิ่นดอกไม้ป่ามาอีกพระกุณเจ้าเดินทางไปตักกศิลาหรือสิครินถามใช่อาตมาเดินทางไปตักกศิลาขอประทานโทษอโศกกล่าวพระกุณเจ้ามีธุระที่นั่นหรือพระกุณเจ้าเดินทางไปเพื่อเหตุประการใด ข้าพเจ้าทั้งสองเดินไปเพื่อศึกษาในสำนักตากาซลามาตุภูมิของอาตมาอยู่ที่นั่นท่านผู้นั้นตอบได้ทราบข่าวจากพ่อค้าเกวียนผู้เดินทางจากตากาซีลาไปปาตาลีบุตรว่าน้องชายของอาตมาฆ่าตัวตายเขาเป็นคนเลี้ยงบิดามารดาเมื่อเขาตายแล้วทางบ้านจึงส่งข่าวให้อาตมากลับมาตากาซลา พระคุณเจ้าพอทราบสาเหตุแห่งการฆ่าตัวตายของเขาไหมศิครินถามอาตมาไม่ทราบแน่นอนนะักทราบแต่เพียงว่ามีเรื่องสตรีเพศเกี่ยวข้องในการตายของเขาด้วยสตรีเพศอโศกและศิครินอุทานออกมาพร้อมกันความจริงเขาไม่น่ายอมตายเพราะเรื่องอย่างนี้ท่านไม่คิดว่าเขาคิดสั้นไปหรือ ทุกคนพยายามหาทางออกให้แก่ชีวิตตัวเองท่านผู้นั้นกล่าวชา้าช้ามีน้ำเสียงแจม่มใสชีวิตนี้เป็นที่รักทุกคนรักแต่บางทีก็มีการกระทาที่ดูเหมือนจะไม่รักตัวเช่นคนฆ่าตัวตายคนส่วนใหญ่เข้าใจกันว่าเขาไม่รักตัวแต่ความจริงเขารักตัวเข้ามากเมื่อเขารักตัวทาไมเขาจึงทาร้ายตัวเองเสีย อโศกถามเพราะไม่อาจจะทนดูตัวเองมีความทุกข์เดือดร้อนเขาจึงหาทางออกเพื่อให้พ้นจากความทุกข์นั้นท่านเคยเห็นคนมีความสุขฆ่าตัวตายหรือไม่เคยเลยพระคุณเจ้าอโศกตอบนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าทุกคนรักตนต้องการให้ตนมีสุขเมื่อไม่อาจหาสุขให้แก่ตนได้จึงทาลายเสีย เหมือนคนจำใจต้องตัดมือหรือเท้าซึ่งเป็นโรคอันมีท่าทางว่าจะลุกลามจะว่าเขาไม่รักมือเท้าหาได้ไม่ความจริงท่านผู้นั้นพูดต่อไปชีวิตมีปัญหาในตัวของมันเองพออยู่แล้วแต่คนส่วนใหญ่ยังริสร้างปัญหาให้แก่ชีวิตอีกเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นโดยไม่ค่อยได้คำนึงว่า จะกลายปมชีวิตที่ตนสร้างขึ้นนั้นอย่างไรจึงมักล้มเหลวในการสแสวงหาสันติสุขให้แก่ชีวิตชีวิตส่วนใหญ่ยังมีข้อบกพร่องช่างเขียนแผนผังสามารถเขียนผังบ้านผังเมืองได้โดยไม่ยากนะักแต่ใครเล่าจะสามารถวางแผนผังชีวิตตนให้ถูกต้องโดยไม่มีข้อบกพร่องเลยจะมีใครบ้างไหมในโลกนี้ ที่กล้าลุกขึ้นพูดอย่างอาจหารว่าตนไม่เคยทำอะไรที่นึกภายหลังแล้วต้องเสียใจและหัวเราะเยาะหรือสลดใจในความโง่ของตัวเองลมปลายปฐมยามโชยมาเบาๆดวงจันทร์ซึ่งเพิ่งแหวกกรีบเมฆออกมาสาดส่องสีนวลใยลงมาก็ให้เกิดความชุ่มเย็นน้ำในลำธารกระทบแสงจันทร์ มองดูเป็นประกายระยิบระยับดวงดาวที่สุกใสเรียงรายอยู่หลายดวงทางน้านฟ้าตะวันออกบรรยากาศบริเวณทุ่งหญ้างเงียบสงัดนานๆจะได้ยินเสียงถอนหายใจยาวเซ็ดครั้งหนึ่งนอกจากนั้นแล้วทุกอย่างเงียบแต่ในความเงียบนั้นก็จะมีความสุขสดชื่นเจือปนอยู่ด้วย